แนะนำบทอัลอัลลบทอัลอลาเป็นบทมักกิยามีสิบเก้องการกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยย่อดังนี้หนึ่งองและคุณลักษณะาบางประการของอัลลอ์และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของพระอ ง, องค์สององการอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่าศาสนาทูต ท, ท่านสุดท้ายสาคําแนะนาอันดีที่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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจงแท้สองสะดุดีพระผู้อภิบาลของผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์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 แม้แต่สิ่งที่อัลลอฮประสงค์ถ้าจริงพระองคทรงรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเด้นเราจะง่ายกัเจ้าซึ่งบรรยัติศาสนาอันง่ายได้แต่นั้นเจ้าจงตักเตือนกันเถอ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 แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาวตนเองย่อมบรรลุสู่ความสาเร็จแล้วเขารำลึกถึงพระนามของพระผู้มิบาลของเขาแล้วเขาทำละมาหา์ดดาาหาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ต่างหากทั้งๆ ท, ที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่า ال ้าจริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคำพีก่อนๆมาแล้วคือคำพีของอิบราฮีมและมูสา